อยนั่งไม่อยากมองหน้าคําทีเตะท่ามันหน้ามันใสแต่ก่อนเคยนอนตักเดียวมีใส่ผลักยังมหาหักอะไรรักของพีไม่มีชูรัรักของพีไม่มีชูรอกใจน้องชังคนเหมือนทั้งหมดคันไฟ ไคยเคล้าประคองไม่ทันใจน้องจงเปลี่ยนหน้าใหม่วันทองโมรากากีนับว่าอย่างดีว่าเจ้าไหนไหนรักองพีนี่มันไม่หิดรักองพีนี่มันไม่หิดมันไม่แนบสนิทและเข้าไปติดถึงใจง เธอมีรักหลายแบบที่ว่าไม่แสบไปถึงลำไส้อีกหน่อยละก็คงหมดเกลเข้าโรงโปเกเที่ยวเร่ร่อนไปมีรักไม่รู้จักอิ่มชามีรักไม่รู้จักอิ่มชอบให้เขาชิมแล้วเธอก็ยิ่มชื่นใจ แน่จงเอาปืนยิงี่แน่จริงๆแล้วพี่จะแอนอกให้ยกปืนขึ้นมายิงซะเลยอย่ามัวเฉยเมยช้าอยู่ทำไมที่ยอมตายซะดีกว่าอยู่ช้าที่ยอมตายซะดีกว่าอยู่เพราะเธอเจ้าชู้จริงนําแม่ร้อยใจเห็นหน้าแสงคมมืแต่เลยงานนึกไปเกัไปปล่อยให้พี่ร้า ถ้าทรมานจริงนะแม่ร้อยใจ